กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะสมัยพรนะคะเอ่อเมื่อสักครู่ที่ท่านได้เอนนิ่งระหว่างนั้นนะคะสมัยพรก็ไปรดน้ําต้นไม้อะคะ่ะแล้วมันก็เกิดความร้อนแดดสองที่ตัวขึ้นมาระหว่างที่รดน้ําต้นไม้ซึ่งเป็นไม่ไม่ใช่ปกติวิสศษที่จะรมของตัวเองในการรดต้นน้ําต้นไม้แต่วันนี้รู้สึกว่าอยากออกไปรดอ่ะคะ่ะ แล้วก็เจอแดดสองที่ตัวแล้วก็รู้สึกได้ว่าแดดสองที่แขนร้อนร้อนแขนจังเลยแล้วก็ร้อนแขนแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ไปต่อไปเพราะรู้สึกว่าต้นไม้เราเราเราไม่ได้ให้น้าก็เลยเราลดเข้าไปแล้วกันนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเท้าเราแฉะจังเลยก็คือรู้สึกแต่เราก็ยังทำกิจวัตรสิ่งที่เราตั้งใจอยู่ไปเรื่อยๆค่ะ รถต้นนั้นรถต้นนี้เดินไปอ่ะตรงนี้แดดร่มดีจังรู้สึกเย็นสบายดีจังเลยเออไม่อยากออกเลยแต่มตรงนั้นยังไม่ได้อะเดินไปรถอีกอ่าโดนแดดอีกแล้วจะกลับเข้าบ้านดีไหมนะเลิกลดน้ําต้นไม้ดีไหมแต่ใจก็บอกไม่เป็นไรก็แค่โดนแดดร้อนตรงนี้เท่านั้นเองรถไปเรื่อยๆแล้วกันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปใส่ใจกับความร้อนว่า อุ้ยมันร้อนมากฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องวิ่งเข้าบ้านแต่ใจมันไปรับรู้แค่ว่าเออมันร้อนแล้วฉันก็ยังต้องทำอยากจะรดน้ำต้นไม้ให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้ารู้สึกแฉะเปียกจังเลยเ อ, อ้ยอยากไปไปซับให้แห้งอ้าไม่เป็นไรเปียกเดี๋ยวก็ดูซีมันมีอะไรมาเยอะหรือเปล่าถ้าไม่มีอ่ะลด่อไปต่อก็ทำภารกิจของตัวเองไปให้เสร็จอะค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เออเราก็รู้ว่ามันร้อนอ่ะเรารู้สึกว่ามันร้อนแต่เราไม่ได้ไปใส่ใจให้มันแบบเฮ้ยร้อนใส่ความรู้สึกเข้าไปในความร้อนก็แค่มันมาอ่ะร้อนที่ผิวกายเราก็รู้ว่ามันผิวกายส่วนไหนเท้าที่เราแฉะเราก็รู้ว่าเท้าเราแฉะส่วนไหนแต่ใจเราก็ยังใช้ชีวิตปกติล้วก็จะทาหน้าที่ในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทําตรงนั้นนะคะชมาภอนก็ได้ข้อคิดตรงนี้ว่า การที่เรารู้บางทีเราก็ไม่ได้ใช้คำว่ารู้เกิดรู้ดับรู้เห็นภาพที่เป็นจริงตามที่ที่หลวงพ่อหรือว่ากาลังบอกแต่มันก็ทำให้เราเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่เอาอารมณ์หรือความรู้สึกที่ที่เข้ามาใส่กับกับกับสิ่งที่เราเจอให้มันให้มันามามันมาเบี่ยงเบน เป้าหมายของเราอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่สมัยพรรับรู้แล้วก็ใช่ว่าเรารู้ตัวรู้ว่าเรากําลังทําอะไรแล้วมองเห็นว่าเราเป็นอะไรแล้วก็สัมผัสกับมันแต่ว่าจะใส่ใจจะเอาอารมณ์ของตัวเองเข้าไปใส่กับมันตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งอันนี้วันนี้ทมได้นะณนะจุดเล็กๆแต่ถ้าในจุดใหญ่ๆที่ผ่านมาก็ยังก็ยังมีปัญหาที่จะต้องคลี่คลายซึ่งสิ่งทิงที่ค้นพบก็คือ แม้เป็นเพราะว่าเรายัางเรายัางเรียกสติของเราไม่พอจิตใจของเรายัางไม่เข้มแข็งพอเรายัางไม่นิ่งพอเราจึงไม่สามารถเท่าทันกับในบางความทุกข์ที่เราสะสมเข้ามาในสมองจนเกิดเป็นความเครียดเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเออนอกจากเราที่จะรู้แล้วว่าการรู้ตัวรู้ตนรู้อะไรก็แล้วแต่ที่ที่พูดขึ้นแล้วมีตัวหรือไม่มีตัวก็แล้วแต่ที่พูดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแลคะคออกจากความทุกข์ได้รือการที่เราฝึกสติฝึกฝึกให้เรามีสติซึ่งก็คงต้องเป็นการฝึกลมหายใจซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชมายพอลหลีกเลี่ยงการนั่งนั่งฝึกสมาธิฝึกลมหายใจมาตลอดแต่ตอนนี้เริ่มเห็นความสำคัญแล้วก็คิดว่าตรงนี้จะค่อยๆทำเพื่อที่ให้ตัวเองเข้าถึงตรงนั้นได้เร็วมากขึ้นนะคะ ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลงพ่อขอพูดเรื่องของโยมจ้าใหพรนะคือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เคยปรากฏแล้วก็สิ่งที่เคยเกิดหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดแล้วมันจะผ่านไปคือมันจะหมดไปนะแต่หลักการปฏิบัติคือต้องรู้สึกตัวในปัจจุบันเพราะว่าอดีตมันก็คือเคยเป็นปัจจุบันในตอนตอนนู้นแต่ตอนนี้มันดับไปหมดแล้วมันผ่านไปหมดแล้ว แต่ก็อย่างน้อยก็คือเ็าเรียกว่าผ่านประสบการณ์ได้รู้ได้เห็นว่าเออเวลาร้อนมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อะไรก็ว่าไปนะมันเป็นประสบการณ์การเรียนธรรมะให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องเรียนประสบการณ์เรียนจากประสบการณ์ตรงนะของจริงนะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยปัญญามันต้องเกิดแน่นอนเพราะว่ามันได้ผ่านการรู้การเห็นมาหมดแล้วว่าอ๋อทุกอย่างเกิดแล้วก็ผ่านไปเกิดแล้วก็ผ่านไปนะ แต่สิ่งที่สำคัญในหลักการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยก็คือมีสติตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยว่ากำลังทากำลังพูดกาลังคิดหรือว่ามีอารมณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในใจนะโดยเฉพาะทางจิตทางใจเนี่ยซึ่งเป็นธรรมะก็เาเรียกว่าต้องรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ความพอใจไม่พอใจที่กาลังปรากฏอยู่ไม่ได้ห้ามสิ่งนี้เพราะมันเป็นสิ่งเกิดดับตามธรรมชาติ มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันก็ต้องเกิดแต่หลักของการฝึกสติก็คืออะไรเกิดก็แค่รับรู้แค่รับรู้นี่ถ้าหลวงพ่อไม่อธิบายนะหลวงพ่อไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเกิดดับหลวงพ่อไม่ต้องพูดอะไรแต่ว่าเวลาอธิบายให้คนให้โยมฟังหรือให้ใครฟังเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องพูดมาเป็นภาษาว่าเออให้รู้เห็นการเกิดการดับอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่คือคําที่หลวงพ่อพูดออกมาแต่ว่าถ้าปฏิบัติด้วยเงียบเงียบ นะเงียบเงียบของตนน่ะนั่นแหละอะไรเกิดขึ้นก็รู้เองเช่นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้เองแล้วพอไม่พอใจมันดิ้นรนอยากจะให้หายเร็วๆ เ, เดี๋ยวมันก็พูดบนในใจอาจจะท่องพุโทโธอะไรก็แล้วแต่ก็รับรู้รับทราบรับรู้รับทรา บ, บ, บ, บว่าอ๋อมันมีพฤติกรรมอย่างนั้นมีความปรุงแต่งอย่างนั้นก็ได้แต่รู้ซื่อๆตามความเป็นจริงในปัจจุบันนะฝึกสติก็คือฝึกแบบนี้แหละไม่ได้ทําอะไรมากไปกว่านี้คือ ให้ตื่นรู้อยู่เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะแค่รู้แค่เห็นมันก็ผ่านไปโดยตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องทำให้เกิดไม่ต้องทำให้ดับเพราะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับโดยกฎของมันอยู่แล้วขอบคุณย<ด>ค่ ะ, ะก็วั น, นได้ได้เพิ่มอีกแล้วขอบอกขอบคุณค่ะจะได้นำไปฝึกเพิ่มค่ะ เดเช่นคุณกิจก่อนนะครับพี่นนทครับเรียนการบัตรการของพ่อครับแล้วก็ทุกๆท่านครับคืออย่างนี้เมื่อกี้นี้ผมฟังของคุณเลนนี่ฮะผมผมเข้าใจนะฮะว่าเออคุณคุณเลนนี่อะกำลังพยายามที่จะปฏิบัติทําให้ได้อันอัน น, นี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าตอบคำถามคุณเลนนี่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็ตแล้วก็เข้าใจจริงๆนะฮะพระเจ้าบอกไว้ว่าการหลุดพ้นนะฮะ หลุดพ้นด้วยจิตนะครับไม่ไม่ได้หลุดพ้นด้วยร่างกายหรือการกระทําเราตอนนี้คือคุณเรนนี่กาลังคิดเตี่ยวเลยว่าร้อนกันหนาวร้อนเย็นนะฮะตากแดดร้อนเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาสัญญา น, นี้ก็คืออันนี้ก็เป็นสังขารตัวหนึง่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านอธิบายไว้ถูกต้องเลยว่าตัวตวนไม่มีการที่เรามองคิดว่าเาจริงๆแล้วการความร้อนเย็นอย่างงี้ฮะเป็นเวทนา เวทนานี่มันเป็นเป็นอะมันเป็นเอ่อเป็นนามเป็นเป็นนามนามอันนี้คือไม่มีตัวตนถูกไหมครับไม่ใช่กายนะฮะแล้วก็จะลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมประกอบไปด้วย5อย่างแต่ถ้า4อย่างตัวนั้นเป็นนามนามไม่ใช่ตัวเราอันนี้พระเจ้าคือเอ่อสติของเราเนี่ยฮะอันนี้การพูดถึงว่าสัมมาสติไม่ใช่สติไม่ใช่สติของคนปกติทั่วไปเออมองเห็นความร้อนเย็น อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆสติของเราหมายถึงสัมมาสติสติที่ถูกต้องคือมองเห็นตามความเป็นจริงถูกต้องว่ากายกายใจตัวนี้ไม่ใช่ของเราถึงจะหลุดพ้นตอนนี้ของคุณเรนนี่ผมว่าคืออยากจะให้คุณเดนนี่ลองปฏิบัติแบบว่าปฏิบัติแบบว่าอาจจะเป็นของหลวงพ่อเทียนนะฮะเรื่องสิจิตการเคลื่อนไหว14จังหวะไปก่อนให้รู้สึกตัวนะครับแต่นี้การที่จะหลุดพ้นได้นี่หลวงพ่อ อีกขั้นหนึ่งแล้วที่เรากาลังสนทนาทํากันอยู่เนี่ยเออที่เข้ามาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับคือคือจะจะผ่านการปฏิบัติทำมาหลายรูปเป็นรูปแบบมาเยอะแล้วนะฮะเพราะเขาจะเข้าใจได้เร็วขึ้นคืออาจจะปฏิบัติด้วยยุบหนอพองหนอหายใจการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยฮะผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่ตรงนีเ้เราจะมาสนทนาว่าตัวตนไม่มีอันนี้คือการว่าไม่มีตัวตนพบนี่คือการหลุดพน้นมีแต่การมีแต่การเกิดดับ ถ้าเรามองเห็นการเกิดดับได้อันนี้ถือว่าหลุดพ้นแต่นี้บางคนบอกว่ า, วาเอ๊ะเรายังมีตัวอย่งเราร้อนอยู่อันนี้เรายังมีตัวตนอยู่เรายังมีสัญญาอยู่เพราะว่าขณะที่เราพูดเนี่ฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นสัญญาสัญญา น, นี้ไม่ใช่การหลุดพ้นนะฮะยังยังมีเ้าเรียกว่าอนะมีกิเลสตัณหาอยู่มีความพอใจไม่พอใจอันนี้เกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดภบเกิดชาแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เราจะทำยังไงถึงจะไม่ให้ จะหลุดพ้นจากตรงนี้ได้ก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าเราทําอะไรในในปัจจุบันขณะนะครับไม่ใช่ว่าเออเราทําไปเมื่อห้านาทีที่แล้วแล้วมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ยังมีสัญญาอยู่พระเจ้าบอกว่าตัวนี้อยังเป็นสัญญาเป็นสังขารอยู่เป็นการปรุงแต่งของของของจิตอยู่อันนี้ถือว่าเออยังยังมีตัวตนอยู่ที่กำบอกว่าผมเป็นตัวของผมใช่ถูกต้องคือมันยังมองมีตัวตนอยู่เราทํายังไงปฏิบัติยังไงให้ ให้ไม่มีตัวตนตามหัวข้อวันนี้ว่าตัวตนไม่มีครับมันต้องปฏิบัติมาช่วงระยะหนึ่งแล้วถึงจะเข้าใจเพราะงั้นมันเข้าใจด้วยการเอด้วยจิตนะฮะไม่ได้เข้าใจด้วยการสื่อสารเป็นภาษาพูดหรือความคิดว่าไอ้ทำไมทําไมอย่างนี้ฮะอันนี้อันนี้คือจากการที่ผมปฏิบัติมานะครับแต่ว่าอย่างคุณเลนนี่นะฮะหรือว่าคุณชมายะฮะถ้าถ้ า, ถ, าถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆน่ะมันจะรู้ตัวเองอ่ะอย่างไงแรกๆนี่ต้องรู้สึกตัวก่อนว่า รู้ตัวว่าเราทําอะไรความรู้นี่เป็นนามใช่ไหมรู้ว่าขณะนี้เราเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าตัวนี้แม่ต่อตัวนามนนี่ยมันไม่มีตัวตนใช่ไหมนามมันไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้อันเนี้ยถ้าเราเข้าใจตรงจุดนี้ว่าเออตัวตวนไม่มีอันนี้อันนี้มันเป็นคือางจริงๆแล้วมันการรู้เนี่ยมันรู้ด้วยจิต ม, มันไม่แสดงว่าแตง แ, แต่ว่าเราต้องใช้สื่อภาษานในการพูดอธิบายให้ฟังว่า มันต้องรู้การเกิดดับก่อนในปัจจุบันขณะนะฮะไม่ใช่ผ่านมาห้านาทีแล้วบอกบอกทำมาถามตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ใช่คําตอบเราจะตอบคุณฮะอ่าฮะเราตอบเอ่อจะตอบคือตอบใปัจจุบันนี้ว่ามันทําอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดปุ๊บถามปับ๊บแต่มันก็คืออดีตไปแล้วอ่ะแต่จะอธิบายให้ฟังว่าเอ่อจะหลุดยังไงอันนี้นะฮะอันนี้สํำคัญที่สุดคือถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆคือเราปฏิบัติตามรูปแบบไปก่อนนะครับว่าเอ่อเรา สิจังหวะก็ไ huh. ด้ให like ้รู so, so, you know, ้จักการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้ว่าเรามีอารมณ์โกรธไปเป็นเวทนาใช่ไหมฮะเอ่อร้อนร้อนเย็นหรือสมันเกิดจากผัสสะผัสสะว่าถามันกระทบปุ๊บเกิดผัสสะเกิดเวทนานะฮะเกิดตัณหานะฮะอุปทานปุ๊บเกิดทบละมีความพอใจไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นลักษณะของปฏิจจสมุปบาทแต่จริงๆแล้วเออเรามาตรงนี้คืออธิบายว่าถ้าบอกเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับเนี่ยอันนี้จะเร็ว เร็วขึ้นแต่ว่าต้องปฏิบัติมาช่วงหนึ่งก่อนสําหรับผมสําหรับที่ผมเคยปฏิบัติมาแล้วนะครับคือต้องผ่านมาปฏิบัติช่วงหนึ่งก็ก็นานพอสมควรครับว่าถึงจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดดับหรืออะไรรู้ตัวรู้ตัวในปัจจุบันขณะนะครับไม่ไม่ทราบว่าตอบปัญหาคุณขอโทษนะคุณเรียนนี่ไม่ทราบว่าจะมีอยากจะถามอะไรนะแต่ว่า ค, คือเข้าใจที่ผมพูดไหมครับครับ ผมจับประเด็นได้ประมาณ2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือครเรื่องว่าเรามาคุยเรื่องการไม่มีตัวตวนผมเข้าใจว่าพวกการละศั ก, กยทิฐิ อ, อะไรพวกเนี้ยคือคนที่เขาเอที่แบบไม่ไม่มีอัตาไม่มีตัวตวนเขาคงไม่มาแบบคุยกันเออฉันละอาตาได้แล้วเธอละอาตาได้แล้วผมว่าผงไม่ไม่ไม่ได้เกิดคงไม่ใช่เหตุการณ์เนี้ยครับอ่าแต่ที่เนี้ยพวอาใช่ไหมครั บ, รบอ่าแล้วก็ต่อให้เขาอต่อให้บุคคลผูด้ได้เอเป็นทำชั้นสูงเนี่ยครับ เ, เขาก็น่าจะมีเมตตาอย่างที่เราอย่างที่ผมสนทนาครับมันเป็นวิธีการนะครับว่าการรู้ตัวใช่การเป็นมันเป็นต่อนะฮะจริงๆแล้ววิธีการนะคือเราต้องปฏิบัติไปตามคือมันต้องไล่ไปเรื่อยๆรบางทีเราจะข้ามข้ามข้ามพ้นไปได้แสดงว่าเอ่อเราเรามีปัญญามากนะจึงจะค้ามหลุดพ้นแค่แค่ฟังแค่นี้เราก็จะเข้าใจจริงๆเราต้องเริ่มต้นจากการปฏิบัติเรื่องรู้สึกตัวเอ่อการ นะครับหรือว่าดูลมหายใจหรือว่ายุบหนอพองหนออะไรเงี้ยฮะปฏิบัติตรงนี้ไปก่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วถึงเวลาป๊บนึ่งเราจะเข้าใจด้วยตัวเองอันนี้มันมันมันจะมันจะสอนแต่ว่าอย่างกรณีหลวงพ่อเทียนนะผมผมคิดว่าเออมันจะเร็ว14จังหวะนะฮะคุณคุณแดนนี่ลองลองดองลอ ง, ลองปฏิบัติ ด, ดูดูการเคลื่อนไหวว่าคุณรู้เออรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวไหมอันนี้คือการรู้ฮะแล้วเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งจะตอบคาถามของคุณเรียนนี่ได้เองว่า ทำไมร้อนผมยังมีตัวผมอยู่แล้วจะไม่เกี่ยวอะไรกับตัวตนไม่มีอะไรองี้ครับคือคือต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนของมันก่อนครับว่ายังไงนะฮะแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้อนร้อนเย็นนี่เป็นเวทนาเวทนาก็ไม่มีตัวตนนะครับแต่เวทนาเนี่ยพอเกิดเวทนาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดตัณหาอุปทา น, นเกิดภพเกิดชาละเกิดความให้อ่าพอใจไม่พอใจก็คือก็ยังเรียนไหวาตายเกิดในวัตฏสงสารอยู่ นะครับคือคืออยากจะอยากจะให้คุณเลนนี่คือหลวงพ่อท่านท่าทานอธิบายเนี่ยถ้าถ้าแต่เนผมผมจะเข้าใจครับว่าท่านจะอธิบายพยายามจะให้คุณเลนนี่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยการการมันเป็นมันเป็นสัญญานะฮะพยายามพยามเนี่ยมันเป็นคือมันใช้มันเป็นเป็นสังขารเน่ยเอาสังขารไปพูดกับสังขารมันก็โต้ตอบกันไม่จบเออไม่ทราบคุณเลนนี่จะเข้าใจตรงนี้คือมันเป็นภาษาพูดเป็นสังขารใช่สัญญา ครับครับอันนี้อันนี้คืออยากจะอยากสารผมอยากคืนอยากให้เล่นานามว่าคุณเลนี่ลองปฏิบัติการเคลื่อนไหวไปก่อนค่ะค่อยๆปฏิบัติไปแล้วถึงเวลามันจะตอบคำถามคุณเลนนี่ได้เองนะครับไม่ใช่ว่าแต่คุณเลนี่นี้เข้าใจนะผมว่าอีกออคนรุ่นหลังอะ่ะจากแบบนี้เอ้ทาไมอย่างคุณเลนี่ผมว่าเป็นเป็นคําถามที่ดีสําหรับคนรุ่นใหม่นะเล้วจากนี้คนี่คนที่คนที่เข้าใจจนะตอบพยายามจะ ให้ให้ให้ให้ให้คนรุ่นใหม่เข้าใจยังไงเ่ยบางครั้งเนี่ยภาษาธรรมบางครั้งเนี่ยมันพูดกันด้วยภาษาไม่ได้มันต้องเข้าใจด้วยจิตนะฮะมันจะมันจะอธิบายคืออธิบายในแน่ของของทางด้านทางด้านปริยัติจะได้นะฮะแต่ตการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องเข้าใจด้วยจิตเราพระเจ้าบอกว่าเราหลุดพ้นด้วยจิตนะครับตอนนี้ก็คือโดยที่ตอบคำถานคือคนสำหรับร้อนเย็นอย่างเนี้ยอันนี้เป็นเวทนา นะฮะมันก็เป็นสังขารตัวย่งเงีอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ครับตอนนี้ก็คืออยากจะให้แนะนําว่าคือคือต้องปฏิบัติไปสักพักหนึ่งแล้วก็สติของเราเนี่ยสติของคอนมันมี2แบบสติคือตั้งใจคิดนะฮะแล้วก็คิดแบบมือลอยมือลอยนี่ก็คือเผลอไปแล้วเผลอคิดใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วจะต้องเป็นสติสัมปชัญญะทางศาสนาคือสติสัมปชัญญะสติที่มองตามความแผน มองเห็นตามความเป็นจริงที่ถูกต้องว่าตัวเราอไม่ใช่ตัวตนตัวของเราไม่มีครับอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องต้องผ่านการปฏิบัติด้วยรูปแบบไป ก, ก่อนครับบางทีบางครั้งเราอาจจะภาษาเออสื่อภาษาอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเราต้องปฏิบัติมาช่วงหนึ่งก่อนครับจึงจะตอบถึงจะจะเข้าใจไม่ใช่ว่าคุณเอ่อคุณเลนี่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เก่งหรืออะไรนะผมเชื่อว่าท่านคุณคุณเลนี่ยต้องปฏิบัติมาแล้วนะแต่อยากจะให้ปฏิบัติ เรื่ อ, ๆอยๆเงี่ยแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆฟังหลวงพ่อพูดไปก่อนฟังสักฟังสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าใจค่อยๆทาแล้วว่าเอ๊ะคนที่เขาเขาเออเขาเข้าใจเนี่ยเขาเข้าใจแบบไหนฮะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าครับครับที่ผมพูดเนี่ยคือวิธีการปฏิบัติหมายความว่าเราจะทําอย่างไรวิธีการแล้วที่ผมพูดมันคือปฏิจจสมุปบาทหมายความว่าต้องให้ทําตามหลวงพ่อเทียนใช่ไหมครับ ครับความรู้สึกเมื่อยก็ต้องเกิดถูกต้องไหมครับ<ด>ความรู้สึก เ, เป็นความรู้สึกเป็นเวชนาอ่าใช่ไหมครั บ, รบทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความเมื่อยความอยากจะความอยากลุกขึ้นมาจากการที่ยกมือ<ช>อยากจะอยากจะลุกขึ้นมารู้สึกเมื่อยรู้สึกร้อนเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะทำโดยวิธีใดเนี่ยมันจะเกิดเหมือนกันแล้วก็จะเข้ามันก็จะเข้าตามที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับเกิดความอยากใช่ไหมครับอย่างอยางวีขาละใช่ครับ อันนี้ก็เกิด <S <S> <S ก็เกิดพาดนะฮะอันนี้ก็ไม่หลุดพ้นคือคือเดนก็รู้ว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราต้องมีคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนนะเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเรานะฮะครับ <S <S พระเจ้าบอกว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนฮนะ ค, คือว่าตัวตนไม่มีนะครับเป็นสิ่งที่เกิดดับเวทนา ม, มันก็ต้เกิดตลอดเวลาเกิดดับไปเรื่อยๆนะฮะเราคนเราก็จะมีเวทนาเรื่อยๆตลอดไปใช่ไหมที่เกิดที่ดับอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดบอกว่าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นก็ต้องดับไป ต้องมองเห็นตรงนี้ก่อนนะฮะเออมันต้องมีคอนเซปต์แบบนี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวจากรเวนแต่เพิ่มเติมนิดการขอโทษอาจจะคุยนานไปฮะไม่เป็นไรก็ช่วยกันนะเพราะว่าพวกเราทั้งหลายนี่เนาะที่เข้ามา่าคุยธรรมะเนี่ยก็เพื่อชี้ทางบอกทางอเพื่อความพ้นทุกเนาะทีนี้อ่เมื่อกี้นะแต่จริงๆมันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันควรจะ พิจารณาในคำพูดของเราเองเนาะของยมเรนนิ่งบอกว่าแล้วเราจะทำอย่างไรคำนี้เลยนะแล้วเราจะทำอย่างไรหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นว่าจริงจริงจริงจริงเลยนะมันไม่มีเราหรอกแต่ขณะที่กําลังพูดกําลังบอกว่ามันไม่มีเราแต่ก็ยังหลงจนได้อยู่ดีแล้วเราจะทำอย่างไรตรงเนี้ยวิธีพลิกฮะ พลิกก็คือว่าจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกเสียก็คือว่าให้รู้ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะทำอย่างไรก็คือให้รู้เราเสียให้รู้เราเนี่ยให้รู้เราไอตัวที่ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้รู้เราเส้ในปัจจุบัน <remo> แล้วก็จะพบว่าเราอะที่บอกว่าเราจะทำอย่างไรอันเนี้ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งโดยพูดออกมาหรืออาจจะคิดในใจก็ได้ความคิดก็เป็นสังขารคิดว่าเราจะทำอย่างไรนี่คือความคิด ความคิดคือสังขารความคิดก็ไม่ใช่เราแต่ที่ไม่เห็นความคิดเพราะว่าลืมตัวไปว่าคิดแบบนี้ก็เลยไม่เห็นความคิดว่า ค, ความคิดเป็นอนัตตาแล้วก็พอความไม่เห็นความคิดแล้วเนาะแล้วก็พูดออกมาทางปากว่าแล้วเราจะทำอย่างไรคำพูดที่บอกว่าเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นว จ, จีสังขารมันก็เป็นสังขารจริงๆมัสังขารมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าสติรู้ไม่เท่าทันที่สังขารกาลังปรากฏขึ้นก็เลยไปเข้าใจผิดว่ามีตัวเราจริงๆแล้วเราจะทำยังไงถ้ามีสติรู้เท่าทันกิจตาสังขารคือความคิดอันนี้ก็หลุดพ้นจากความเป็นตัวเราถ้ารู้เท่าทันคำพูดบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงอันนี้ก็จะพ้นจากสังขารคือพ้นจากวาจีสังขารก็เป็นความไม่มีอะไรไม่มีเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องต้องไม่มีเราต้องไปทําอะไรเพียงแต่ว่าให้รู้เท่าทันสิ่งที่กําลังคิดสิ่งที่กําลังพูดรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งเกิดดับมันเป็นสังขารปกติแค่นี้เองก็จะหมดปัญหาในเรื่องการวิธีปฏิบัติว่าเราจะทํำยังไงโอเคไหมสงสัยน้องเขาอาจจะไม่เข้าใจฮะว่า ว่ายังยังยังถามอยู่ผมว่าก็าก็ไม่เอเอไม่เป็นไรนะเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนกับว่ากำลังบอกการรู้เขาเรียกว่ากำลังชี้ช่องทางคือให้รู้ปัจจุบันขณะเพราะตรงนี้มันสำคัญมากถ้ารู้ปัจจุบันขณะตรงนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องหลงอีกแต่ถ้าจับทางได้ก็จะทำให้เข้าใจแต่จับทางไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรก็ฟังซ้า การฟังซ้ําๆนี่แหละมันจะทําให้มีตัวช่วยในเบื้องต้นเนาะมีตัวช่วยก็คือมีคนกระทุง้งมีคนสะ ก, กิดให้ว่าเออนี่เผลอตรงนี้หลงตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้แล้วก็จะทําให้เกิดการรู้ทันขึ้นมาเหมือนกับว่าสอนว่ายน้ําเลยว่ายน้ําไม่เป็นเนาะมีพี่เลี้ยงต้องต้องบอกก่อนเนาะบอกว่าอย่างนี้องนี้พอตอนหลังเริ่มเป็นแล้วก็ต่อไปพี่เลี้ยงไม่ต้องสอนแล้วก็จะว่ายน้ําเป็นเอง สาธุแห่งขการรับสการนะครับก็ผมเคลียร์แต่ว่าก็ดีครับพี่มีน้องเดนนิงเขามาถามคํำถามแบบนี้ผมว่าเป็นการดีสาหรับคนรุ่นใหม่นะฮะที่เขาจะมีปัญหาแบบเมื่อก่อนผมก็คิดเป็นแบบน้องเนี่ยว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรคือหาคําถามมี question ตลอดเวลาครับแต่เข้าใจแล้วก็คือก็เนี่ยฮะครับก็อยากจะให้น้องอะฮะลองฝึกดูแล้วก็เข้ามาฟังบ่อยๆจะเกิดปัญญาขึ้นเนี่ยครับ และ ท, ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องน้องเขาคุณกรนี้จะต้องปฏิบัติด้วยนะครับในรูปแบบไปก่อนนะฮะเราจะเข้าใจมากขึ้นครับโอเคก็โยมเรนเนิ่งก็ก็ดีนะเพราะว่าการที่มีคนมาถามเนี่ยเราหลวงพ่อก็เชื่อนะว่าคนที่ใฝ่รู้เนี่ยก็ต้องถามอยู่แล้วต้องคุยต้องเอาอย่างนี้เพราะว่าในเมื่อไม่เข้าใจเนาะก็ต้องซักต้องถามคือมันเป็นหนทางที่ถูกไง แต่ทีนี้อย่างบางทีห้องนี้บางทีหลวงพ่อก็ต้องถามหาใครสงสัยอะไรมาถามหน่อยถามหน่อยคือเพื่ออะไรถามเพื่อที่จะจะชี้บอกไงว่าตอนนี้เออไม่รู้ตรงไหนหลงอะไรเนี่ยอย่างของโ ย, โยมเรนนิ่งเนี่ยดีมากนะเพราะว่าคือนอกจากโยมเขาถามแล้วเนี่ยแต่คนอื่นที่อยู่ในในห้องเนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญญาทําให้เข้าใจในบางเรื่องก็ได้เหมือนกับว่าประโยชน์ร่วมกันทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเนะาะทั้งผู้ ทั้งทังหลวงพ่อที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจคนอื่นเข้าใจก็คนอื่นก็อยากเข้าใจโอ้มันเข้าใจไปได้เลยครับก็การนบสการหลวงพ่อเพราะว่าเออจริงจริงแล้วดีฮะถ้ามีคนแบบนี้เข้ามาเยอะๆแล้วก็ได้ฟังจากที่หลวงพ่อเออเออบรรยายให้ฟังหรือที่ได้ฟังเนี่ยผมว่าเป็นการดีนะฮะแต่ว่าจะได้รู้ว่าเออเราบกพร่องอะไรนี่ถือว่า คุณที่ในกลุ่มนี่สูว่าเป็นคนมีบุญนะฮะถึงได้เข้ามาในกลุ่มกลุ่มนี้ได้นะครับยังไงผมว่าทุกคนฮะทุกท่านเนี่ยจะต้องหลุดพ้นได้ด้วยด้วยด้วยจิต ด, ด้วยใจนะฮะครับผมผมผมเชื่ออย่างนั้นฮะว่าแต่ละคนที่มีปัญหายิ่งคนมีปัญหาเนี่ยเวลาเขาเก็ตเนี่ยเขาจะเก็ตได้เร็วมากครับแล้วก็จะเข้าใจไปตลอดชีวิตของเขาแล้วก็สามารถสื่อให้ทุกคนได้ทราบได้นะครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับการปฏิบัติธรรมในในสายในพุทธศาสนานะครับก็ขาวาคนแบบนี้ก็ค่อนข้างจะยากนะครับว่าสมา นะฮะอันนี้ก็อยากจะให้มีคนมีความสามารถเข้ามาแล้วก็จะสามารถที่จะอธิบายให้คนคนอื่นได้ฟังและเข้าใจแล้วหลุดพ้นกันไปทั้งหมดนะฮะก็การบูชาหลวงพ่อครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวอีกนิดหนึงหลวงพ่อฉันข้าวก็สิบเอ็ดโมงครึ่งได้อยู่นะครับหลวงพ่อพูดถึงหลักสติปัฏฐานนิดนึงสิ่งนี้ก็มาฝึกได้นะวัดป่าสุกโตสวดเป็นประจำในเรื่องของการ ทําความรู้สึกตัวนะเช่นคําบอกว่าการพูดเห็นไหมมีนะพูดก็ทําความรู้สึกตัวได้ก็คือพูดก็รู้แล้วก็การนิ่งนิ่งเนี่ยคืออาจจะเทียบเคียงไม่ว่าจะร่างกายหยุดนิ่งหรือการพูดคือหยุดชั่วคราวเนาะเขาเรียกว่านิ่งนิ่งเงียบอยู่ก็ฝึกได้ก็คือรู้ได้ว่าเออไม่พูดคือนิ่งแล้วนะการ การเคี้ยวการกลืนอะไรก็แล้วแต่รวมถึงความคิดหลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนให้รู้เท่าทันความคิดแต่ส่วนมากเนะี่ยยมลองสังเกตนะเวลาเราคุยกันแบบเนี้เวลาคุยเนี่ยมันจะเห็นความคิดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในอาการนิ่งคือไม่พูดแล้วก็รู้อยู่ว่า น, นิ่งนะรู้อยู่ว่า น, นิ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นความความคิดที่มันผุดขึ้นมานะบางคนเนี่ยไม่ว่าไม่ใช่บางคนหรอกอย่างหลวงพ่อก็เคยมีนะฝึกกับการนิ่งหลวงพ่อ ไม่พูดไงพอไม่พูดเสร็จจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนก็คือไม่พูดจะเข้าไปในกลุ่มใครก็ไม่พูดแต่รู้อยู่ว่าไม่พูดแต่ขณะที่ไม่พูดเนี่ยมันก็พูดในใจมันบอกเออนีไม่พูดนะนีไม่พูดนะไอตรงที่กำลังพูดในใจว่าไม่พูดไม่พูดนั่นแหละคือความคิดก็สามารถเห็นความคิดที่มันผุดได้ในระหว่างที่นิ่งอยู่เพราะฉะนั้นนิ่งจริงๆอ่ะมันไม่มีถาวร แล้วก็ไอ้ที่คิดจริงๆอ่ะไม่หยุดเลยก็ไม่มีถาวรเพราะฉะนั้นมันจะนิ่งบ้างมันก็จะคิดบ้างนิ่งบ้างก็จะคิดบ้างแต่ตัวอะไรมารู้ละ่ะก็ตัวสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นตัวรู้รู้ว่านิ่งก็รู้คิดก็รู้มันเพราะฉะนั้นมันจะรู้รอบหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดพฤติกรรมทางจิตแบบไหนเนาะมันก็จะรู้รอบว่าอ่ะสิ่งนั้นเกิดแล้วสิ่งนั้นดับแล้วสิ่งนั้นเกิดแล้วแต่ไม่ต้องมานั่งพูดนั่งท่องว่าเกิดดับเนอะไม่ต้องเลย เพียงแต่รู้อย่างเงียบๆเนี่ยแค่นี้ก็จะเข้าใจเรื่องของสติสัมปชัญญะว่าไอ้ตัวสติสัมปชัญญะจริงๆเนี่ยคือมีแต่เป็นเพียงผู้ดูผู้รู้แค่นั้นเองนอกจากนั้นไม่ใช่สติสัมปชัญญะเพราะเป็นสิ่งที่กำลังแสดงนะความคิดก็กำลังแสดงความนิ่งก็กำลังแสดงการอะไรก็แสดงแต่สติสัมปชัญญะไม่ได้แสดงอะไรเลยได้แต่รู้แจ้งได้แต่รู้รอบรอบรู้นี่หลวงพ่อก็จะสรุป ก่อนที่จะจบวันนี้นะครับขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ